คนเดินมาหาเขาเขามาเรื่องอะไรครับเรไม่ตองถามก็ก็เดินมาเนี่ยเก้าโมงยี่ี่นาทีอันนี้คือเสวนาจะพาลานังแหละจะดูนะโซนเก้ายี่สิบเดินมาหาขับยานคนเดินมาหาเห็นยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขียนเนี่ยเขียนเขามาเรื่องอะไรไม่ต้องถามครเขอมาเรื่องอะไรจะรู้ยังไงอนะครับ เขาก็ตั้งแต่ภูมิเงินนะไม่ไม่เขียนเนี่ยเราเราไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรถามเรื่อมาหาเราเรื่องอะไรมีคนมาหาเรื่องอะไรเราจะรู้รู้ก่อนก็ถามครับอันนีภูมิเจ็ดจะดูตัวไหนก่อนตั้งก่อนเลยภูมิก่อนตั้งภูมิเขียนด้วยไวอยู่ในหัวแล้วนะต้องอให้อยู่ในหัวให้ไวอืเองทําก่อนเขา ถึงต้องดูทุกวันไงมันมีคนจะมาเราตีนงจะมีคนมาหาเราเรื่องอะไรเจ็ดห้าสามแปดเนื่อนงั้เขียนได้เลยอเขียนไ้เลยเขียนได้เลยเราได้เวลาแล้วเราไม่ต้องไปกลัวซ้าไม่เป็นไรแต่เราต้องคลองหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งหกสีสองเจ็ดห้าสามแปดในเวลาให้ล่องนะในเล ตกเจ็ดข้ามวันเนี้ยเรารู้แล้เจ็ดข้าตกที่สามตองใหม่มาตกที่สามเนี่ยเรารู้ละไม่เป็นไรบริวารอายุเด็กสีนี่เราไล่รู้เรารู้ละตอนนี้เก้าโมงเ้าโมงดูที่ยามเก้าโมงที่ยามยี่สิบนาทีเก้าโมงตกยามอะไรตกยามสามใช่ไหมยี่สิบนาทีตกยามสามหัวยามคืออะไรหัวสองนับไปสองหนึ่งสอง โมงยี่ิบนาทีตกแปดต้องรู้แล้วมันเป็นไงครับโกหกแล้วครับอ่าก็ยังยังยังเก้ามงยี่สิบนาทีถึงยังนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองก็ตกเวลาที่เท่าไหร่สิเอ็นะฮะอ่าตกอะไรตกเจ็ดตกเจ็ดนับไปเจ็ด <7 S 2> ช่องเจ็ดนี่ใส่นี่ห้าเรื่องดุสิตังขีดเลยสาวที่เมรุห้าห้ า, หาขึ้นข้างบนอ่าห้าสามแปดแปด ถามเรารู้เชื่ออย่างเนี้ยเขาจะมาถามเ ร, าเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการไปแสวงหาความรู้หรือเกี่ยวกับการสอบรู้เลยเนื้อสี่นี่สี่เขาอยู่ไหนทุกอุ้มปากเสียปากไม่ดีทานองนั้นเนื้อดีไหมเพราะข้างบนนี่จะดีข้างบนนี่จะดี ข, นนะดข้างบนคืออะไรข้างบนดวงสีต่งเอวังมนุษย์ยัง อนะะถ้าถ้าเกิดเปรียบมองดูเสาปุ๊บดูจิตตังเอวังมนุสติย่างแต่จิตตังพยายางทุกขังนี่เราต้องท่องที่บอกอ่ะต้องท่องให้ได้แล้ว<ะ>เรืออะไรบ้างหนว่าบางทีฮ<ฆ>ะความหมายความหมายความหมายของเสาก็นี่คือความสําเร็จที่บอกนะความสุขโชคลาภแล้วก็จิตตังคือการได้การยอมรับแล้วก็ทุกภายนอกทุกภายในมรณะแล้วก็อรหันต์อรหันต์คือการการหลุดไปเลยไม่ต้องทุกข์อะไรไม่ต้องหลุดโลกหลุดครับอ่า เขามาถามเรื่องอะไรเรารู้เลยว่าเวลานี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรู้ที่จะไปสอบเอาไว้เนี่ยอันนี้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของเขาและอันี่ก็คือคือความสุขแล้วก็โชคลาภเนี่ยรู้เลยจะไปสอบไปสอบเนี่ยข้าราชการหรือทหารหรืออะไรตอะไรนี่เกี่ยวกับไอ้ไอ้และเนี่ยจะได้ของทำลวยมาด้วยพวกไอ้ของไอ้กฎผิดกฎหมายหรืออะไรตัวไรนี่ทานองนี้หรือ เนี่ ย, น ย, นยหนึ่งดีหรือไม่ดีอะไรตอะไรนี่ว่าไปเลยทองคําหรือธาตุหรือเสียอันนึ้เดี๋วก็ดูความหมายของดาวแต่นี้เราเขาถามแค่นี้เรื่อง<ม>อะไรมาหาเรื่องอะไรในเรารู้แล้ว<ม>เรื่องที่จะไปสอบหรือเรื่องเดี่ยวมาปรึกษาความรู้อะไรตัวไรนี่และนั้นเราไม่ต้องไปอัธรรถมากถ้าเกิดมากเราก็เดี๋ยวเ<ม>วลาพอเรารู้เฉยเก้าโงยี่สิบแล้วเขาจะมาถามเรามันจะเปลี่ยนเวลา มันจะเปลี่ยนเวลาเองแต่เรารู้เขาแล้วว่าเขามาหาเราเรื่องอะไรแค่นั้นพอเรื่องความรู้หรือเรื่องการไปสอบจบใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามองแม่เพราะวันนี้มเพราะถามวาใช่ไหมเพราะท่านถามคำไม่ได้ถามคํานี้ท่านถามว่าเขามาเรื่องอะไรครับเรื่องการที่จะไปสอบหรืออะไรตัวอะไรในทํานองนี่ ทิ้บอกว่าไม่ใช่หรอกครับเพ้ถามว่าเขาทุกเรื่องอะไรถ้าทุกเรื่องอะไรอีกก็ไปดูที่สี่ทุกภายนอกทุกภายในทิ้งต้องดูที่สี่อ่ามันเป็นอะไรอ่าทุกขังทุกขังกับอะไรนะจิตตังพยังทุกขังครับเขามีทุกเรื่องอะไรครับทุกเรื่องอะไรครับถ้าดูเขาตอนนี้เขาไม่ทุกเรื่องอะไรนะทุกกับถามคนอย่างน่ะเขาถามเรื่องอะไรแล้วไปจิกตังใช่น่ะครับโดยว่าเขาทุกเรื่องอะไร เรารู้เขาเฉยๆเจนนี้เรารู้เจนนี้เราเรารู้เกี่ยวกับการแต่งตัวของเขาเนี่ยทุกภายในไอ้ทุกภายนอกของเขาไอ้แบบแบบว่าเขาเรื่องภายนอกเรื่องความงามอะไรตัวอะไรนี่ของเขาแล้วเนี่เรื่องความรักหรืออะไรนี่วุ่นวายภายนอกของเขาแต่ถ้าเกิดทุกภายในของเขาคือสีสีคือตั้งแต่ปากลงไปจนถึงระบบท้องท้องคือว่าไม่ค่อยจะดีทุกภายนอกคือตัวไหนคือคือพยัง พยัง ถ, ถ้ า, เ, <ร>าเกิดทุกภายในล่ะทุกทุกขังเพราะเจ็บอยู่เตอนนี้ป่วยเจ็บป่วยอยู่ที่สี่สี่คือระบบตั้งแต่ 8. ปากไปจนถึงท้องว่าบอกว่าจะไปหรือจะไปหาเจ้านลวงเจ้านายก็กินยาไอไอไอเคี้ยวหมากฝรั่งเรื่อยตัวไรนี่จะช่วยได้ก่็หรือกินยาธาตุอะไรทัาไรนี่เรามองดูถ้าเกิดเข้ามาเ<ม>พราะว่าดูสิตังเนี่เราเรื่องความรู้ของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าเรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นเขาทุกเรื่องอะไร แล้วเราดูในที่เขาจะมาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยกหกหรือไม่กหกเนี่ยไม่ดีบางทีมีส่วนถ้าเกิดเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วหกสิบเปอร์เซนตเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ไปแล้วคืออะไรหลอกออกมาหรือมาพูดเกี่ยวกับไอ้เรื่องเนี่ยบางทีเพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเพราะเรารู้ว่าเขามาพูดเรื่องเขาจะมาหาเราเรื่องอเรื่องเรื่องความรู้เรื่องการที่ไปสอบแต่เขาไม่ได้ถามเราเรื่องนี้ เขาไม่ได้ถามเราเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าสีมันอยู่ข้างล่างเขาจะถามเราเนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยเพราะว่าสีมันอยู่ข้างล่างอ่าปากคือเราราู้เขาเจ็บป่วยเนี <Luke. S 2> <ะ>่ยเรารู้เขาเจ็บป่วยแล้วเรื่องระบบภายในของเขาในตั้งแต่ปากลงไปจนถึงท้องเนี่ยเรารู้เขาเรารู้เขาด้วยว่าเขาจะมาหาเราเรื่องเรื่องนี้แต่เขาไม่ถามเรื่องนี้เขาไม่ถามเรื่องแต่นี่เรารู้เขาแล้วเรารู้เขาด้วยว่าเขาเจ็บป่วยอยู่ ก็สี่อยู่ตกอยู่นี่ตกทุกครั้งแลเงินของเขานี่มีไหมไม่มีไม่ต้องคุยเขาพาะเผลอไม่ได้ให้ตังเราด้วยใช่ไม่ต้องคุยกับเขาเลยจะคุยได้ไหมว่าไม่ได้ตังครับรูฟรีอย่างเงี้ยสองตกมราังเรารู้เขาเลืกไว้ดำญาตเา่เอาสิจะไปช่วยงครอไปจะให้ข้าวใสก่อนด้วยใช่ข้างข้าวใก่อน เนี่ยเรารู้เขาอันนี้คือนี้นะว่า้ฟังเออก็พอดีเลยท่านท่านย <นะ S 1> ุท <นะ S 1> ชัยมาเนี่ยพอดีเลยคือความจริงแล้วเนี่ยผ ม, ยมคือคือบางอย่างเนี่ย เ, เราก็ <นะ S 1> ไม่ได้บอกกันไว้่นะ<ช>ครับก็บอกเขเลยคือจริงๆเนี่ยสาวลูกสาวซีนเนลูกที่สองสุดท้ายเลยเนี่ยเพราะว่าพอได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เอาวันอื่นอันนี้สุดยอดของสาวซีเนลูกก็คือว่าอ่าเป็นข้อแรกของมงคลจักรวาล ม, มงคลสามสิบแปดที่บอกว่าอาเสวนาจะพาระนังนคืออาศัวนาจะพาละังเนี่ยไม่ใช่หมายถึงครบไปสิบปีแล้วก็มานั่งเสียใจบอกว่าคูไม่น่าครบเลยคนนิสัยแบบนี้แบบท่านทองอย่างเงี้ยนะเนี่ย เ, เราครบไปแล้วเนี่ยเราเพิ่งรู้เอาจริงๆแล้วไม่ครบไปเลยก็ได้แต่ว่ครบไปแล้วมันมันถอยลำบากมาเพราะฉนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเออเห็นปั๊บเนี่ยจะรู้ได้งไงเพราะเพราะสารู้สิษย์สาเรียนลู้เนี่ยก็คือเปิดโลกนั่นแหละ แล้วมองเห็นปั๊บเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยครับไม่ต้องถามเขาเพราะอะไรคุณไม่ต้องถามครับนี่คือสุดเจ้าของอขามันนะก็คือว่าถ้าคุณรู้ทําไมคุณต้องถามเขาเออมาเรื่องอะไรแล้วแสดงคุณไม่รู้เออเป็นยังไงล่ะสบายดีไหมถ้าคุณรู้จริงคุณไม่ต้องถามเขาสบายดีไหมคุณต้องรู้ตั้งแต่เขาเดินมาแล้วว่าเขาสบายดีหรือเปล่ามีเงินใช้หรือไม่มาเรื่องอะไรเพราะบางทีสิ่งที่ถามสิ่งที่เขาทุกข์น่ะเขาไม่ถามเขาเก็บ แต่ว่าทีจิงสิ่งที่เขาถามบางทีไม่ได้เกี่ยวเลยมันจะมาถามเรื่องนั้นน่ะแต่ที่จริงมันไม่ต้องการจะรู้เรื่องนั้นหรอกไอด้ดวงไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเราเห็นคือหน้านั่นคือดุสิตัางไอ้คาพูดต่อลงมาก็คือเอว่างเข้าไหมเนี่ยได้สิ่งที่เขารับจริงจริงเนี่ยคือมนุษย์อย่างแต่ไม่ใช่หมายถึงทุกนะอ อ, อตอนนี้พอเขาเดินนะฟัดด่วนแรกเลยทุกขังคืออะไระตรงเนี้ยทุกข์ก็ทุกข์ผม ก, ก็บอกเราทุกข์อะไรทุกข์อะไรเสร็จยังไม่พอพอยามเปลี่ยนหรือยามไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เอาพบมาเนี่ยพมันคิดอะไรอ่าไอที่ไอที่คิดไว่ได้นั่นแหะรู้ว่าเขาเดินขึ้นมานอันนั้นเลขอะไรจิตตังจิตจตังหนึ่งครับอ่าหนึ่งนี่รู้แล้วแสดงว่าเขาคิดถึงอเรื่องของ เลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งเราก็ไปดูความหมายครับความหมายถ้าเขามาเฉยเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่คิดว่าบอกตรงๆว่าคมแล้วก่อนนะเขาต้องเชื่อข้อแน่หนึ่งมันต้องแน่อยู่แล้วออืแต่ว่ามึงแน่หรือผู้แน่อะไรเงี่ยนะแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาด้วยความไม่เชื่อเราแล้วเนี่ยคือจริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่าแน่ไหนไม่ถือแน่มาทดสอบอ่านี่ใจใจเขานะแน่จริงเขาป่ะตอนนี้ทุกขังเลขอะ ทุกขังเลขสี่อ่าเลขสี่สี่ได้แก่มันสมองออืสีได้แก่การติดต่อสื่อสารใช่ไหยสีได้แก่การกินอ่าตอนนี้ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงความฉลาดหรอกเห็นไหมบ่างแต่มันจะคิดถึงว่ามีกินไหมบ่าออืงตอนนี้เรนูย์มีกินหรือไม่มีกินเนี่ยคอยล่างมันไปเรื่อยๆมันทุกะมันไม่มีกินไม่มีตามอเออเพราะมันเลขสองใช่ไหมเล่าเออนัหนารู้แล้วบอกได้เลย เพื่อนนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเอยนะเอาเอาแค่เรื่องมีกินหรือไม่มีกินก่อนดีกว่าไหมนี่นี่มอย่างนี้เลยไอ้ไอ้ข้างบนเขาไม่ต้องมาพูดถึง่งเอาข้างไหนเจาะใจมันก่อนละอ่เนี่ยจิตใจเรียกว่าล่าจิตตังหรืออ่านความคิดก่อนอ่าทคามคิดก่อนนี่แหละที่เราไม่ได้มียานเราไม่ได้มียานเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องเสกตัวปริญญาหรอกเรารู้ใจเขาแล้วเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยลืมไปเลยน่ะอ นี่คือวิธีการว่าสยบเขาอยู่ยังไงที่ผมบอกเนี่ยเราก็เดินเข้ามาแล้วรู้ตอนนี้เนี่ยเอาไวอีกทีหนึ่งต่อก็ออคือให้หยบหยเจียบมาสอนต่อก็คือไม่สึงคือว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอคนชนิดไห น, นจะดูยังไงเอาไ ว, ไว้เลยก็ที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคนชนิดไหนที่มงเรายังไม่เห็นเนี่ครับก็อเอาวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็มาดูว่าวันนี้เราจะเจอคนชนิดไหนบ้างเราจะทําอย่ังไง วันนี้วันนี้เราจะเจอคนชนิดไหนมั่งเออเวลาไหนแหมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะเราก็ตรวจยามใช่ไหมเล่าเราก็ดูที่ภูมิขวดไอ่เอาดูดูดูที่ตรงนี้ยวันนี้เราจะวันนี้ผมก็ไม่ค่อยคล่องเลยนะจ๊ะจะช่วยแนะผมด้วยเลยก็ไม่ใช่ว่าไปสิถึงจะได้ถึงจะได้เออเจอวันนี้จะเจอวันนี้จะเจอคนชนิดไหนมามั่งอื ใครจะมาหาเราไอ้คนที่มาเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงดีไม่ดีแล้วคนไหนจะดูฟรีแล้วดูได้ตังค์จะได้เรื่องได้ไมงั้นดูฟรีนั่งสูงหนักแม่งไม่ได้หาเลยเลยแถขอค่ารถขับรับโอ้โหดูฟรีแถมขอตังค์ไงเราก็จ้างดูก่อนก็ได้รวมทั้งเนี่ยแล้วก็แบนกอย่างนี้ครับรผมยังไม่เคยดูอาจารย์ช่วยแนะผมหน่อยนะอันนี้แหละพิกริ่งก็อยู่ใ้เสานน้น่ะเสา เราไม่เห็นเสาใชพอเดียวเรายังไม่รู้เวลาไม่ตั้งเราตั้งไว้ก่อนแล้วนี่วันมันก็มีแปดยามถูกไหมเล่าครับถูกไหมวันมีแปดยามยามใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ซอยยามใหญ่ในหนึ่งแปดันหนึ่งยามใหญ่ก็แบ่งออกเป็นแปดยามย่อยใช่ไหมเล่ามันทําได้อยู่ก่อนแล้วไม่งั้นเราจะไปทำเสาเข้ามาได้ยังไงเราถูกต้องครับอืมเราทําไว้ก่อนแล้วไงว่าอยู่ในช่วงไหนนั่นหมายถึงว่านานับข้องในเช้าเอาไว้ให้ดูตัวเองไม่ดูคนอื่นน่ะครับครับมีความหมาย ธรรมดาให้ดูตัวเองเนี่ยที่บอกว่าดูตัวเองอืเห็นเราเห็นเขาเนี่ยเพราะนั้นมันเรารู้ก่อนแล้วเนี่ยมึงมาตอนนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยมึงมาตอนนี้ก็เป็นเนี่ยที่ท่านรักเขาทําไปสําเร็จใช่ใช่งั้นนะว่าพี่เอาเนี่ยวันนี้ก็เราก็แรมเจ็ดค่ำเนี่ยแรมเจ็ดค่าก็สามแน่นอนอยู่แล้วสามเจ็ดช่วงเวลาเนี้ยมันมีบริวารอายุเดชีพวกพวกที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยจะมาจะ ที่จะมาหาเราเรื่องอะไรวันนี้จะมีใครมาหาอเนี่ยจะมาอะไรเงี้ยแต่แต่มีความรู้หรือไม่ไม่รู้เลยเพราะพวกกาลกินีต่อห้าเป็นกาลกินีนี่ผมมีความรู้ไม่มีความรู้แต่ว่าเป็นพวกทหารบางทีมเป็นอย่างเงี้ยความรู้มีแล้วก็ถามว่ามีความรู้หรือไม่นิสัยเป็นยังไงให้รู้จริตครับอือย่างฝรุหัดเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นพุดที่จริ เพราะฉะนั้นพวกนี้เมื่อก่อนนับสีพระมันจะมาแบบไม่ดรับสีพระอ่าดูถูกพระนน่อยๆอย่างเงี้ยจำได้เราเอาสริตอ่านคนชนิดไหนคือจรีตบอืมเราจะเราจะรู้เลยวันเนี้มีใครมาหาพวกนักเลงพวกบริวารอายุเพราะว่าให้ดูอายุปัจจุบันอายุก็คือปัจจุบันของเขาที่จะมานักเลงมหาและหัวกฎหมายอืมเป็นหัวกฎหมายก็ด้วย ไอ้ผู้ชนอะนั้พวกรู้กฎหมายรู้ดีกฎหมายรู้กฎหมายวันเนี้ยจะมาหาเราเพราะเรารู้เรามีผู้กี่โมงมากกี่โมงนั่งแล้วก็ไปไล่ดูยามใหญ่เราก็ดูที่ยามใหญ่ใครจะมาแน่นอนยามใหญ่ตกอะไรยามใหญ่ที่หนึ่งตกยามใหญ่ที่สองตกยามใหญ่ที่สามตกอ่าถ้าเราดแล้วว่าเวลยามใหญ่ที่หนึ่งอ่าวันตกตกเลยตกหกเราก็รู้แล้วตกหกอ่า หมาหายตกสองพวกผู้หญิงเป็นนักเลงมีจิตใจเป็นนักเลงแล้วก็รู้กฎหมายแต่บางทีก็จะกระตุ้งกระติ้งตกวเลขสี่เป็นเกษตรเกษนัเพราะว่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ชายสามเนี่ยคือผู้ชายสองก็คือผู้หญิง เราคล้ายๆพวกกระเทยจะมาในช่วงเวลานี้อะไรตอะไรนี้รู้กฎหมายรู้กฎหมายและจิตใจเป็นนักเพลงนี่เราจะรู้ว่าใครมาหาจะมีใครมาหาเราเนี่ยยามแรกยามแรกเออหกโมงถึงเจ็ดโมงจะมีพวกนี้มหาถ้าเกิดเลยยามไปปุ๊บเราก็ไล่ยาม น่ะต่อไปตกอะไรอันี้ตกสี่ตกสี่ตกสี่แล้วนัดจะไปนไงไม่เียอ่าไอนี่พวกดารานักแสดงดารานักแสดงที่เป็นคนคอยคุมคอยคุมแบบว่าแบบนักเลงเวลาจะคุมโตะคุมอะไรตัวนั้นนี่จะไปคุมทางความงามหรือไปคุมทางนู้นแล้วก็เชียแขกเชียรอ่านั่นแหละพวกพวกเชียแขกแล้วก็รู้กฎหมายด้วยรู้กฎหมายด้วยแล้วก็ เราต้องมาดูตรงนี้เพื่อเป็นนักเลงอยู่แล้วแน่นอนเพราะอายุวันนี้นักเลงจะมาหาเราพูดง่ายๆพวกนักเลงทั้งนั้นแต่นักเลงแบบไหนตรงนี้เข้าใจนะตอนนี้ต่อใหมาเราเป็นพระเนี่ยเพราะเราเป็นพรวันนี้เขาหนีมนจะได้สองเยอะหรือสองน้อยจะถวายเยอะหรือถวายน้อยต้องรู้ย่มันจะไปมันเมื่อยจะได้บรารแคนั้นแล้วตรงนี้เราก็รู้บริวารอายุหรือมูละอุตสาหะาว่ากันพยายามหาไม่ต้องไปเลยเราบ่มยิ่งพอกินเไยไม่ต้องไป ออไปนั่งรอตีพอสองเกี่ยวกับการออกขุนตินะการเงินผู้หญิงโอ้มาแต่เช้าเลยเนี่ยไหนโอ้โหกำลังคุยถึงอยู่เราเอาอีกพวกมาด้วยก็อุษาหะเราพยายามเหลือเกินเนี่ยขามอนี่ขาไม่ดีเนี่ยขาเป็นไรอะโดนอะไรมาเหรอวิไปซ้ายมันลอยไปโดนอะไรอะ นี่อยูุ่ตสาหะนี่ไม่ต้องไปหาเลยเราพยายามาเงินเนี่ยเพราะมันตกอะยาใส่ดิตกยามเนี่ยยาหลือะไม่ต้องไปมาเปลี่ยนยามใหม่เปลี่ยนยามใหญ่ใหม่เราไม่ต้องไปดูที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปเลยอเพราะมันอุตสาห์เนี่ยผมชอบมันไล่หมูแต่ไปยามสามให้เราได้คือบางทีตกสองเราก็ไล่ไปสอง สอหนึ่งสองมเนี่ยอพวกมคดีฐานนอนสุกเราอย่างเดียวสองจะมาหาพุทฮนักเลงเนี่ยมาหาเรานักเลงเดนเนี่ยเป็นผู้นำเท่าไหรผู้นำนักเลงขนา้เป็นเจ็ดนะมเดินมาได้พวกเนี้ยเป็นหัวหน้าปนหัหน้าหวน้าหัวหน้านักเลงอีหน้านักเลงอีทหนึ่งเนี่ย พราะเรารู้แล้วพวกนักเลงจะมาหาเราก็เดินเป็นที่ที่มีจิตใจขึ้เขิมาไม่ต้องไปประมาที่ท่าเรือเนช่วงนี้มันเดินต่างไปแล้เราไปดูยามสี่อเรารู้เนี่ยตกห้าตกห้าแก็อะไรยางขวบนี้ตกเจ็ดเจ็ดไร่ไปเจ็ดพวกพวกผู้ใช้กาลังเนี่ยพวกผู้ใช้กาลังพวกก่อสร้างพวกที่ใช้แรงงานแต่เรารู้แล้วนักเลงไอ้พวกนี้ที่ใช้กำลัง ป๋ใส่ยายมันด้วยนะพวกพวกที่ใช้กําลังไอ้พวกพวกที่ไปไปไปกระทําอ่ะไปไปตู้ไปลบพวกอะไรตัวอะไรเนี่ยแต่คนนี้เป็นนักเลงเป็นนักเลงเจ็บๆตกเจ็บเนี่เรารู้เลยพวกไหนยามเนี้ยจะมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่จะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่แต่ภายในชั่วโมงครึ่งนี้จะต้องมาอเรารู้เข้าก่อจะไม่ร้อนเราไปยามห้ายามใหญ่ที่ห้าตกอะไร าพวกสี่พวกนักวิชากรฎหมายพวกปักกันพวกอะไรตัวไรนี่พวกพวกที่ใช้ปากใช้ปากขายพวกไอพวกที่ขายของก็ได้พวกปักกันพวกอะไรนั่นเนี่ยบังคับยาอ่ะใช้สําหรับเรื่องแน่นด้วยเรื่องออกวินาบาทแต่ที่ลองนี้อ่ะบังคับยาตอนเช้าจะไปวินาบาทเนี่ยให้ได้สังนะเราลองทําให้ดูด้วยอ้าวทายังไงนะอะเปลี่ยนหน้ามาเนี่ยเล่นเสาแล้วนั่นเนี่ย